อ, อย่าให้ตติตติกับคมวริกรรมนะ <c oughs> อย่าให้มันขาดเพื่อนมันออกจากกันแนบสนิทติดกันอยู่กับเราเทน้ำใส่แก้วนีนะ่อย่าให้มันขาดวัคขาดตอนขาดวัคขาดตอนแล้วจิตมันก็มีกิเลสนะต้องว่างก็วิ่งออกไปแหละ ออกไปหาเสพการไปหาลูกหาเสียงหากลิ่นหารสจิตของเราไปปฏิคุมมันไวป้ปฏิผูกจิตผูกใจเอาไว้ให้อยู่ติดกับคําบริกรรมคําภาวนานั่นแหละไปคาดไปหมายว่าอยากได้อันนั้นอยากเป็นอันนี้อยากให้มันได้อันนั้นอันนี้นไม่มีดอกทําไปเรื่อยๆคาดไปหมา ไปคิดอยู่ได้เป็นกิเลสถ้าไปอยากได้อย่างนั้นองค์ตัดไปยิ่งละยิ่งรวย <c oughs> ยิ่งละยิ่งรวยยิ่งอยากยิ่งไม่ได้กินอยากเท่าไหร่ก็กิเลสคือความอยากตันหาคือความอยากความโลภความอยากจิต ก, กันจิตบังเอาไว้บังกิตเอาไว้บังสติบยเอาไว้ ปกมานนี่คือกิเลสกิเลสมานขันธมานนั่งไปนั่งมามันก็ปวดขาขาปวดเอวอะไรแล้วแต่มันจะปวดแหละไปนั่งมาปวดงปวดเอวเรียกว่าขันธมานอันไปก็อภิสังขารมานมานก็คือความคิด คงสั่นไปคงไปแตกพักพัเหมือนกับเขาออกเหล็กเพว่ามันคิดไปไหนของเราไม่เคยอบรมไม่เคยฝึกหัดก็ไปทําไปทํามามันก็ชินเองดอกต้องไปไปมันก็ปล่อยเปลียนค่อยไปเข้าใจอย่างนี้ค่อยเปลี่ยนค่อยไปทําไปเรื่อยๆมันก็ชินไปเป็นนิสยัยขอให เป็นนิสัยเป็นปัจจัยให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นนิสัยก็ความเคยชินนิสัยคือความเคยชินกินไปนเองเนาะอดเอาทนเอาเพราะว่ามาบำเพ็ญบารมีบำเพ็ญบารมีสร้างบารมีให้เจ้าของก็ว่าอกุศลาให้เจ้าของก็ว่าฐานบารมีศินบารมี สมมาบาลมีปัญญาบารมีก็อยู่ที่สมาธิหมดนั่นบารมีสิบทัศจบบาลมีสิบทัศน์สาสิบทัศนก็ได้เป็นพระละหันที่ไหนบาลมีน่ะนะบารมีก็พูดไปขยายออกไปกว้างๆย่อลงมาความอยู่ศีลสมาธิปัญญานี่เท่านั้นย่อลงมาก็คือมักไมีองค์เป็ น, นทานศีลภาวนา ศีนสมาธิปัญญากั้งสารวัตญาติโยมก็ทานศีลภาวนาพระก็ศีลสมาธิปัญญาตันี้เอากายนี่เนะเอากายว่าจาใจนเป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้การต่างบามีบำเพ็ญบามีไปเอาื่น ากายของเรานี่ยวาจาหรือวาจากของเรานใจของเรานี่แหละถ้าเราไม่ทําใครก็จะมาทําแทนเราทําแทนกันไม่ได้ดอกถ้าพระพุทธองค์ทําแทนได้พระพุทธองค์มีเมตตามากถ้าทำแทนได้ก็ทําแทนพวกเราเอาพวกเราขึ้นไปพ้นผ่านหมดเถอะทำเอาใครเอาเราไม่ไม่ทําแทนกันดอกบรารมีสร้างบรารมี อันเดียวกันอย่างที่เคยพูดให้ฟังตลาก็ออันเดียวกันนี่แหละไปพูดที่อื่นพูดลงใส่ขันห้านี่นะเอาขันห่านี่นออกกายว่าใจาใจนี่เนี่เป็นยานเป็นอุปกรณ์มาใช้บำเพ็ญภาวนานออกกายว่าใจาใจนี่นเป็ยานกับขี่เข้าเมืองพระนิพพาน กายเรายังดีอยู่วาจาก็ยังพูดได้อยู่ไม่ใช่คนคือคนใบ้สวดมนต์ไหว้พระได้อยู่ใจก็คิดอันนั้นอันนี้ได้อยู่กายวาจาใจของเราเนี่ยเป็นอุปกรณ์อาให้เจ้าของหรือสร้างบารมีให้เจ้าของมันทำได้นะถ้าคนเข้าใจวิธีทำให้ทานรักษาศีลเนี่ยก่อสร้างบารมี บารมีในการให้ทานล้างาสีนก็ธาตุแตกขั้นดับแล้วก็ไปเกิดอยู่ในสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเนี่ยการบำเพ็ญเคยทานบ้างไหมล่ะคนไม่เคยทานนี่ก็ไม่รู้จักหรอหกเคยทานทานของดีๆของสูงๆหรือทานมากๆนิดหน่อย มันจะไปปรากฏอยู่ที่ใจนะโอ้โหโอ้โหมันถึงขนาดนี้หรือเรานี่ปีติสุขมันไปเกิอดอยู่ที่ใจคิดถึงพ้นทานทีไรก็อิ่มขึ้นมาอันเรียกว่าอิ่มทิพตได้กินังแต่ยังไม่ตายได้เสมอยัยแต่ยังไม่ตายเลยรักษาศีลเห็นอะไรที่พออย่าทําให้ผิดศีลเราก็ไม่ทํา เขากินเหล้าเมาสุราแล้วก็ไปไม่กินกับเขานะเขาฆ่าสัตว์เราก็ไม่ไปฆ่ากับเขาเขาไปลักทรัพย์เราก็ไม่ไปเขาไปประพฤติผิดในกรรมเราก็ไม่ไปกับเขานะึ่งเราจะรู้ตัวขึ้นมาโอ้เราเนี่ยเป็นคนดีบริสุทธิ์ถึงขนาดนี้หรือเจ้ามีขนาดนี้แค่ใกล้จะใจขาดป่วยไข้ามา ภูมิจิตภูมิใจของเราก็ไม่ลงไปไม่ต่ำลงไปต่ำได้ทวนขึ้นข้างบนขึ้นสวรรค์นิพพานนั่นนะถ้าเคยไปภูมิจิตภูมิใจของเราก็ถูกบาปความชั่วกดดันลงไปลงไปลงไปสู่อบายภูมินั่นนะถ้าเคยทำไปแล้วทำบาปทำกรรมไปแล้วก็มาแก้ไขคนฉลาดย่อมแก้ไข คนจันไรย่อมว <c oughs> ่าไม่เป็นไรดอกไม่มีดอกบาปไม่มีดอกบุญความแก้ไขเรียกของนะท่านจึงให้มาบําเพ็ญมาบําเพ็ญภาวนาสร้างบา ร, รมีของถ้าอยากไปสวรรค์มนุษย์ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็ทําได้เราศีลห้านีแ่แหละให้ทานแล้วก็รักษาศีล สินห้านี่ได้มนุษย์สมบัติถ้ามีหินอุตตปาขึ้นไปทานรักษาสินมีน <c oughs> ความสะดุ้งเจงความต่อบาปมีความละอายแก่ใจอของมันก็ไปขึ้นอยู่สวรรค์นั่นนะไม่กล้าไปทำบาปในที่รับที่แก่คนเห็นไม่เห็นก็ไม่กล้าไปทำทำในที่ไหนก็เป็นบาปหมด คนเห็นไม่เห็นก็บาปหมดไม่มีคนคนต้องเห็นทำอยู่ที่ไหนเขาก็เห็นนะพระพุทธเจ้ารู้หมดว่าเราไปทำบาปผู้ลู้นะ่ะพระพุทธเจ้าคือผู้ลูกลู่ใจเรานี่ก็รู้หมดรู้ว่าเราทำบาปทำบุญอัตติโลเจแล้วหูหนามา <c oughs> <c oughs> ความลับไม่มีในโลกนะไปทำที่ไหนคนก็เห็นหมดเราก็เป็นคนนี่นะคนหนึ่งก็รู้ว่าเราทำบาปทำบุญต้องไปสงสัยไม่มีความลับทำกลางคืนคนไม่เห็นก็ไปตกอบ า, ายภูมิคือเก่าให้เข้าใจอย่างนี้ละเข้าใจอย่างนี้ กลางวันก็นไปกลางคืนก็นไปในที่รับที่แก่ทาบุญก็เหมือนกัน <c oughs> ทําเวลาไหนก็ได้บุญหมดอากาลิโกไม่มีการมีเวลาดอก <c oughs> อย่างมานั่งสมาธิภาวนาเนี่ย <c oughs> ก็ได้บุญแล้วเนี่ย <c oughs> ได้บุญแล้วไม่ไปบอกใครไม่ไปอะไรใครก็ได้หมดบุญไม่มีการเวลาทําตอนเช้าก็ได้ตอนกลางคืนก็ได้กลางวันก็ได้ ให้เข้าใจอย่างนี้การทําบุญนันะนนะบุญทางศาสนานี่มันแบ่งออกเป็นดีย่างหรือเรียกว่ากุศลานี่แหละกุศลธรรมานี่แนหะละกุศลแปลว่าบุญแปลว่าคุณงามความดีกุศลางามความดีหรือแปลว่าความฉลาดกุศลแปลว่าฉลา ด, ลาลาดบุญกุศล ในศาสนานี่แบ่งออกเป็นสีอย่างมากันเข้าใจศาสนาพุทธนะอันหนึ่งก็เรียกว่ากามมาวาจารกุศลกุศลที่ท่องเที่ยวไปในกามอันที่สองก็เรียกว่าลูปาวิาจรกุศลที่ท่องเที่ยวไปในรูปลูปาวิาจรกุศล โลกุตธละกุศลจําได้ไหมล่ะลูปาวิจานึ่งกามาวิจารกุศลลูปาวิจารกุศลลูปาวิจารกุศลโลกุตธละกุศลบุญในศาสนาพุทธมีอยู่ห้าอย่างกามาวิจารกุศลนี่ใครมาสร้างทางนี้กุลที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามกามมันมีฝ่ายสุขคติทุกขคติ ตาทุกขติก็ใครมาทําทางนี้ก็ตกไปอยู่อบายภูมิอบายภูมิสทุกขติทุกขติก็หมายถึงมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกบุญกุศลสวรรค์หรักษาศีลภาวนารักษาให้ทานรักษาศีลก็ไปอยู่สวรรค์ลักษาให้ทานรักษาศีลก็ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ ออกอย่างตามมาวาจรมันมีส1บอดพบสบอดภูมิใบเกิดทีนี้มาดูปาวาจรกุศลก็คือมานั่งสมาธินี่แหละบำเพ็ญภาวนานี่ให้เกิดจิตตั้งมัน่นจิตตั้งมัน่นจิตได้สมาธิสมาธิมันก็แบ่งออกเป็นสามะนิกสมาธิ อุปจละสมาธิอัปปนาสมาธิถ้าจิตสงบได้ถึงอัปปนาสมาธิหรือพูดในทางฌานก็มันมีอยู่สี่รูปฌานนี่มีอยู่สีนี่ปาวจรกุศลนี่มีอยู่สีอย่างปฐมฌานพุติยะฌานตติยะฌานจตุจชฌานมันอันเดียวกันกันกบสมาธิ สมาธิลงไปถึงอเนี้ก็เป็นอั ป, ปนาฌานอั ป, ปนาสมาธิมีอารมณ์เท่ากันฌานกับสมาธิก็กลายเป็นอันเดียวกันได้มันลงไปถึงอั ป, ปนาก็มีอุเบกขากับเอกับค้าตาลมมีอารมณ์สองเหมือนกันปฌ า, านอั ป, ปนาสมาธิถ้าใครได้ฌานได้สมาธิก็ เรียกว่ากิจของเราไปท่องเที่ยวอยู่ในพรมมโลกไปเกิดอยู่ในพรมมโลกคุณกุศลดูปาวาจรกุศลหน่อยถ้าแตกขันดับไปผู้ได้ชา้นหนึ่งสองสามก็ไปอุบัติขึ้นบนพรมมโลก <c oughs> เหนือสวรรค์ขึ้นไปอีกสวรรค์นี่ก็มีความสุขมากแล้วอาพักข่อนท่อนสบายเป็นเครื่องทิพย์หมดบนสวรรค์ อาหารการอยู่การกินก็เป็นทิปหมดปิมาณก็เป็นทิปไปเคยสร้างบุตรสร้างสลาสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างเจดีขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเทพธิดาพระอาศาสตร์ราชวังโออาว่างขวางใหญ่โตมโหฬาร อาหารผ้าผ่อนท่อนสบายก็เป็นของทิพย์มอสแม่แต่กตามก็เป็นทิพย์นะบนสวรรค์ละเอียดมากมีความสุขมากคนจึงปาฏนาไปสวรรค์แต่สวรรค์ น, นี้ก็ยังสู้สพม่าโลกไม่ได้นะนี่อูปาว่วจรจิตท่องเที่ยวอยู่ในพมโมาโลก ปาว่าจอนกุศลผู้ที่ได้ชานหนึ่งสองสามก็โอ้ยสบายอาหารอยู่ในภพมะโลกไม่มีสัตว์ตัวผู้ตัวเมียไม่มีการเสพกรรมเหมือนสวรรค์นนะตะเวอยแต่สุบอย่างเดียวไม่มีสัตว์ตัวผู้ตัวเมียแต่ไม่ใช่กระเทยนะ <c oughs> เป็นลูกไปจิจตะเวยปีติสุขอยู่ภพมะโลก อายุนานแสนนานอันนี้สร้างกุศลสร้างบารมีขึ้นไปอย่างนี้มานั่งสมาธิภาวนาให้ได้ฌานได้สมาธิจิต <c oughs> <c oughs> ของเราก็จะไปอุบัติโอปปาติกะ <c oughs> ไปอุบัติขึ้น <c oughs> บนพมลโลกผู้ได้ปฐมฌานก็ไปอยู่ชั้นที่หนึ่งสองสามผู้ที่ได้ ตุติยชานก็ไปอยู่ชันสี่ห้าหกพรมโลกมันมีอยู่ส6บหชั้นพูดที่ได้แตติยชานชานสามแตดตีแปลว่าสามจิตละเอียดขึ้นไปอีกชา้นสามนี่นี่แต่รูป ก, กับเอกับข้าตาลมอารมณ์สองเท่านั้นพูดได้ชาญนสจิตก็จะไปโอปาปาติกาธาตแตกขันดังก็ไปเกิอดอยู่พร ม, มโลก ชันที่เกดแปดเก้าผู้ที่ได้จัดตุจชาชานชาญนสี่หรืออปนาชานจิตก็จะไปอุบัติขึ้นบนพรมมโลกชั้นที่สิบสิบเอ็ดสิบสองมีร่างกาย <c oughs> มีกายทิพย์แสงสว่างผ่องใสพรมยิ่งขึ้นไปชั้นสูงสูงยิ่งมีแสงอาภา ต้องสวัยเหมือนอยู่ในพระนิพพานอยู่ในพมโลคนจิงไปหลงในพมโลกว่าเปลี่ยนพระนิพพานนี่แหละตร้างบุญบา ร, รมีขึ้นไปไม่อยากไปก็ได้ไปนะถ้าได้จิตสงบทาเอาพากัรทาเอานี่นะ่านบา ร, รมีศีลบา ร, รมีอยู่นี่เนคขมบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีอยู่นี่ ว <c oughs> ิริยะวิรยะบาลมีกว่าความเพี้ยนนี่แหละเพียรทำอยู่างนี้แหละเนี่ยวิริยะคือความเพียนขันติคือความอดทนขันติบาลมีอดเอาอดเอาทนเอากั้นเอาเจ็บมันปวดมันอะไรก็อดเอาสู้เอาอืมและนั่งสมาธิเนี่ยมันอยู่นี่หมด <c oughs> อ๋อนี่แหละลูปาวาจอนกุศล ศาสนาพุทธเรียกว่ากุศลอันหนึ่งที่สูงขึ้นไปจากกา ม, มาวาจรกุศลปูพาวาจรกุศลเอาถ้านั่งสมาธิกิจว่างเป็นอากาศว่างเหมือนกับอากาศเนี่ยขึ้นไปเหนือรูปขึ้นไปเป็นอรูปเนี่ยรูปชนันรูปคมเป็นอรูปคมกันทีนึคมขึ้นไปอันนี้เรียกว่าคมธรรมดานะสิบหกชั้น มันมีอยู่ห้าชั้นที่หลังนั้นเป็นชั้นสุดทวารชั้นของพระอนาคามีไปจุติอยู่ <c oughs> อัตตาปาอเวหาสุทสัศษาสุทสัศสีอาการิฐาห้าชั้นนี้เป็นชั้นที่อยู่ของพระอนาคามีผู้ที่ละกามได้กามดับกามมาชั้นทะพยาบาทได้แล้วทวารเป็นอาวาตที่บริสุทธ เป็นที่อยู่ของผู้บริสุสทธิ์สุทธิสุทธะแปลว่าบริสุทธิ์วาดแปลว่าที่อยู่ที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์คือพระอนาคามีให้เข้าใจอย่างนี้ําเพ็ญไปอย่างนี้แหละสร้างบาลมีหรือขุดสลาก็อัเนเดียวกันนะครับกานให้ทานรักษาศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาก็ทําอยู่อย่างนี้ไม่ต้องสงสัยแล้ว ขึ้นไปสูงกว่า น, นี้ก็ได้อลูปชานเหนืออันนี้อันนี้เรียกว่าลูปชานเรียกว่าลูปพรมได้อลูปพรมขึ้นไปชั้นไปอยู่ชั้นนี้เรียกว่ามหาพรมนะอากาสายัญจายัจฉนาวิญญาญใจยัจฉนะอจินญใจยัญจายัจนะเนี่ยวัฏัญญาณนาะสัญญายัจนาะมันมีอยู่สี่ชั้นถ้าใครมาถึงชั้นนี้ก็ได้เป็นเท้ามหาพรม มหาคมอายุยืนหลายกับหลายกันอันเนี้ยรูกเหมือนกับเราซ้าสมาธิมันได้มาจากมนุษย์นี่แหละการบำเพ็ญขึ้นไปจากมนุษย์ เ, ยเอากายว่ า, ายใจใจนี่เนี่ยมาบำเพ็ญอยู่นี่แหละเป็นเครื่องมืออุปกรณ์อยู่เนี่ยรียบทํารีบบำเพ็ญตอนนี้กําลังกายว่ า, ายใใจมันใช้งานได้อยู่ดีอยู่แข็งแรงอยู่ รีบทาเอารีบสร้างเอาบา ร, รมีเนะ่ยนะไม่มีใครสร้างแทนได้ดอกนะสร้างขึ้นไปอยู่รูปพรมผมมาโลกนี่ยทำง่ายง่ายอย่างนี้แหละพรมมาโลกเนี่ยดับรูปชันได้ก็ขึ้นไปอยู่รูปชันรูปพรมแต่วยสุขล า, ายกับไร้กันนาน <c oughs> อ่า ไปอ่านอยู่ข้างหน้านั่นจาไม่ได้หรอกอายุของผมปิดเอาไว้อยู่ข้างหน้าเ น, น่เขียนลอกออกเขาลอกออกมาให้แล้วเหมือนกันนะนานจนหลงว่าเป็นพระนิพานท่านก็เรียกว่าพระนิพานอันหนึ่งเรียกว่านิพานพรมไม่ใช่นิพานแท้ๆอ่านพรมนี่แล้ววา่เพ่นไปอย่างนี้เนะี่ยจะไปทำอะไรอีก ไม่มีไม่มีทํานอกจากนี้ไปหรอกมรรคผลนิพพานน่ะนะมรรคก็มีองค์แปดแ ย, ยกออกเป็นศีนสมาธิปัญญาหยอดลงมาศีนสมาธิปัญญาสีนกับสีนของกายวายใจาใจนี่สมาธิกัใจตั้งมั่นทําอยู่นี่แหละสมาธิได้รูปฌานอรูปฌานก็นี่น่ะหรือว่ารูปราวจรกุศลอรูปราวจรกุศลก็อยู่นี่แหละอยู่ที่เล่านี่แหละ ดูการปฏิบัติอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งใจเอาถ้าไปพรมโลกโอยเหมือนปนิพพานในอารูปคมนี่ยิ่งนานอายุยาวนานหลายกลับหลายกันที่จะกลับมาเกิดในมนุษย์ <c oughs> อีกในไงกาการมาวิจรกุศล รูป่าว่าจรกุศลอรูปาว่าจรกุศลสัตวที่ไม่เกิดอยู่ใ น, นความเพี้ยนขึ้นไปเกิดอยูใ่ในมนุษย์ก็ดีสวรรค์ก็ดีผมมรโลกก็ดีอรูปผมก็ดีก็เป็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงอยู่คือเกา่าไม่เที่ยงแท้แน่นอนตกอยู่ภายใต้กดใจลักยานยังมีการเวียนว่ายใต้เกิดอยู่ หมดอายุบำเพ็ญภาวนาหมดอายุสร้างบารมีบารมีมันหมดเป็นต้องสร้างเพิ่มขึ้นอีกหมดอายุบำเพ็ญภาวนาขึ้นไปคมสั้นไหนหมดอายุแล้วก็กลับขึ้นมา <c oughs> เกิดเป็นมนุษย์อีก <c oughs> ก็ตายจากคมมลโลกลงมา <c oughs> เกิดในเมืองมนุษย์อีก <c oughs> เพราะว่ากิจตรงนี้ตายไม่เป มันจะหมุนไปอยู่พบนั้นไปอยู่พบนี้ภูมินั้นภูมินี้อยู่อย่างนี้มันกว้างเกินเกินจักรวาลในท้องฟ้านี่สุดไม่เป็นหมุนเวียนไหวใต้เกิดอยู่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนในสามแดนโลกธาตุกรรมมาโลกลูกโลกอรูปโลกกามภูมิลูกภูมิอรูปภูมิก็ว่ากามมพบลูกพบอรูปพบก็ว่า กา ม, มาวจรกุศ ล, ล, ลรูปาวจรนกุศลอรูปาวจรกุศลก็อันเดียวกันสัตว์ที่ตั้งอยู่ในสารแดนโลกธาตุนี่ก็ว่าก็มาเวียนไหวได้เกิดอีกเราต้องบำเพ็ญภาวนาขึ้นไปอีกให้สูงกว่าโลกทั้งสามนี้โลกทั้งสามเหนือโลกสามนี้ขึ้นไปอีกก็เรียกว่าโลกุตละภูมินั่น ที่อยู่เหนือโลกทั้งสามเนี่ยตามมาวจจรภูมิลูปาวจจรภูมิอารูปาวจจรภูมิโลกุตตะละภูมิตามมาวจจรกุศลลูปาวจจรกุศลอารูปาวจจรกุศลโลกุตตะละกุศลนั่นเหนือโลกทั้งสามขึ้นไป จึงจะเป็นพระนิพพานแท้อยู่ในพร ม, มาโลกก็เรียกว่นนานิพพานพมหมดอายุของพมก็ลงมาดมก้อนง่วนดินหอมต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอเกิดได้ใหญ่มาแม่เราก็มาดมลูกลูกก็ดมแม่ใหญ่ขึ้นมาก็แต่งงานกันแต่งงานกันก็ไปดมกันนั่นแหละท่านจึง พูดเปียบเปย์อกว่ า, วาหมดอายุของผมลงมาดมก้อนง่วนยินหอมนี่แหละก้อนง่วนดินหอ ม, น, อ น, อ น, น, หอมนั่งอยู่นี่แหละแต่งงานกันแล้วผัวก็ดมเมียเมียก็ดมผัวอยู่นั่นแหละดมก้นง่วนดินหอมไม่รู้ว่าหอมไม่หอมดอกคือว่าหอมอ่ อ, อนซอนหลายอัจฉริยะไหลายมีความสุขหลาย อ น, นี้แหละก็เอามาเริ่มใหม่อีกนะทีนีน้มาเริ่มต้นบําเพ็ญใหม่อีกมาให้ทานรักษาศีลภาวนาใหม่อีกอขึ้นไปแล้วทีนีน้ลงมาเกิดในมนุษย์สมบัติแล้วก็ได้เอามนุษย์สมบัตินี่นะี่ยเป็นภพกลางๆเป็นผู้ที่มีอุปรกรณ์เครื่องใช้มีกายวา่าใจมีขันห้าครบบริบูรณ์ กายดีวาจาดีใจดีเรียกว่าขันห้าบริบูรณ์ก็เอาขันห้านี่แหละมาบำเพ็ญภาวนาขึ้นไปอีกอขันห้านี่แหละเป็นอุปกรณ์เป็นยานอาหาร <c> ะ <oughs> บำเพ็ญไปทางต่ำก็เอาไว้ขันห้า เอากายว า, ายใจใจนี่ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพ์ประพฤติผิดในกรรมขุดปดมดเท็ดกินเหล้าเมาสุราก็ความเพียนไปทางต่ำก็ไปตกนลกหมกไหมอยู่นลกมันก็มีหลายชั้นอันลึกๆไปก็ น, นานอายุนานเหมือนกับพม่าโลกเลยนะ ม, มันก็ต้องเงินข้าบอย่างนี้แหละนี่แหละเรียกว่าเอาไปทำบาปอากุศล อกุศลคือบาปไม่ใช่บุญไม่ใช่กุศลไปสร้างบุญสร้างกุศลคือกุศลลคือบุญกุศนคือสร้างบารมีก็อันเดียวกันทานบารมีศีลบารมีอันเดียวกันนั่นแหละปัญญาบารมีก็อันเดียวกันนั่นแหละ อ, อกุศลกับบารมีก็พูดไปคนละแง่และมุมเฉยๆหรอก สร้างบารมีก่อนมาทานบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีเขาเรียกว่ามร์เปดย่อลงมาย่อลงมาก็เหลืออยู่กายกับใจเขากายกับใจนี่แหละสร้างย่อลงมาก็เหลืออยู่ใจมันไม่มีอะไรมีแค่นี้มาได้มนุษย์แล้วก็ตอนนี้แหละถ้าคุณนสมบัติจิตใจต่ำกว่ามนุษย์เขาก็เรียกว่าเปด ว่านอนสอนง่ายหยาบคายเขาก็เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานกายนั่นนะเป็นมนุษย์อยู่แต่จิตใจมันเป็นเปรต เ, เขาก็เรียกว่ามนุษย์เปโตต่างกายเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยจิตใจมันชั่วช้าตําซ้มว่านอนสอนยากบอกไม่ว่าอย่าด่าไม่ฟังเขาก็เรียกว่ามนุษย์เดรัจฉานโนแล้วนะั่ ก็อันนี้แหละบำเพ็ญขึ้นไปอ่าร่างกายจิตใจเรากายดีวาจาดีใจดีเขาก็เรียกว่าพระอาริยบุคคลเท่านั้นอริยบุคคลขั้นต้นคือพระสุปฏิปันโนหรือพระโสดาบันก็เอาอันนี้แหละบำเพ็ญขึ้นไปฮ่าสุาติปันโนพระคาวโตสาวกสังคโฆ น, น สงสารกของพระพุทธเจ้ามูใดปฏิบัติดีแล้วนั่นไรดีดีกายกายดีวาจาดีใจดีนี่แหละลงมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกก็มาบำเพ็ญใหม่อีกนี้ตายดีวาจาดีใจดีเราก็ได้เป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระโสดาบันเท่านั้นก็บำเพ็ญไปอย่างนี้พระโสดาบันขั้นต้นพระโสดาบันก็มีอยู่สามสามอย่าง โสดาบันขั้นต้นก็เป็นผู้ที่มีกายดีวาจาดีใจดีขั้นนี้หากมาเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์อีกก็เพียงเจ็ดชาติก็เข้าสู่พระนิพพานนี่ถ้าทำอย่างนี้เขาก็เรียกว่ากลายเป็นมนุษย์อยู่แต่เป็นมนุษย์สังมนุษย์โสมนุษย์โดยแท้มนุษย์สัตวธรรมมีมนุษย์สัต ธ, ธรรมประจําใจาของ กายก็เป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์เขาเรียกว่ามนุษย์แท้หรือเรียกว่าอริยบุคคลอัตนต้นพระโสดาบันเนี่ยบำเพ็ญไปอย่างนี้เอากายวาจาใจไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมพูดปวดโมทเทศก็เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานลงไปเนี่ยเอากายวาจาใจมา ลักษาศีลภาวนาก็ได้เป็นพระโสดาบันกายดีว่าจจดีใจดีเนี่ยเออหากมาเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์อีกเกียติชาติก็จะเข้าพระนิพพานพระโสดาบันเป็นผู้ปิดอบายภูมิได้แล้วหันหลังให้อบายภูมิหันหน้าเข้าสู่สวรรค์นิพพานเรียกว่าเปิดประตูพระนิพพานแล้ว ย่างก้าวเข้าพระสิพานแล้วอนี้หันหลังให้อบายภูมิอืมไม่หวั่นไหวในจัตุระบายทั้งสี่พระโสดาบันอบายภูมิทั้งสี่นั้นไม่กลัวแล้วนี่แหละลงมาจากพรมลงมาจากสวรรค์หมดอายุในสวรรค์ก็ลงมาเป็นมนุษย์ใหม่อีกสร้างบารมีขึ้นใหม่อีกสร้างกุศลพ้นบุญขึ้นใหม่อีกนี่แหละ เกิดแล้วเกิดอีกพบแล้วพบเล่านี่ยนะอันก อ, อันนั้นพบมาท่องเที่ยวอยู่ในตามมะลกบ้างพรมมะลกบ้งางอรูปพมบ้างนับหลายกับหลายกันเบื่อนายไหมหลังบางทีเอาไกลวายใจาใจนี่ไปใช้ในทางต่ําก็ไปท่องเที่ยวอยู่ในอบายภพอีกอนี่แหละ กามมาว่าจรภูมิหนะึ่งจิตจออยู่ในกามกามมาว่าจรภูมิมันก็มีอยู่สิบเอ็ดชั้นบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกหนะึ่งท่องเที่ยวอยู่ในกามเ่ท่องอยู่ในนี่แหละให้พากันเข้าใจบำเพ็ญต่อไปขึ้นไปอีกเป็นผู้นี้กายดีวาจาดีก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นอสดาบันอสดาบันมันมีอยู่สาม <c oughs> ออกไปก็าบาเพงขึ้นไปอีกอเกิดดวงตาเห็นธรรมน่ะทำมาจักขุ น, นเห็นสิ่งได้เกิดสิ่งนั้นต้องดับอะไรเกิดอะไรดับตาเห็นรูปมันก็ดับหูได้ยินเสียงมันก็ดับจมูกได้กลิ่นเกิดรู้กลิ่นนั้นกินนี่ขึ้นแล้วก็ดับหินได้ลถเกิดรู้ลถนั้นลดนี่ขึ้นก็ดับ เห็นเกิดเห็นดับอย่างนี้เรียกว่าธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาตาเห็นรูปก็เกิดรู้จักว่ารูปนั้นรูปนี้แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมไม่ลูกคลำในขนทางอย่าเดินเข้าไปแล้วทีนี้ เป็นชั้นทรงสูงได้แล้วทีนี้เห็นความเกิดความดับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีเกิดกับดับเท่านี้ไม่มีอะไรสังขานทั้งหลายในโลกนี้ผสมปรุงแต่งกันขึ้นมาในโลกนี้มีแต่เกิดกับดับบำเพ็ญขึ้นไปอย่างนี้แหละอืมก็ได้เป็นพระโสดาบันขั้นที่สองโปลังโกละหากมาเกิดในมนุษย์หรือสวรรค์ ไม่เกินสองชาติสามชาติก็เข้าพระนิพพานไปโลกุตระภูมิโลกที่สี่นะไม่กลับมาเกิดอีกนะเหนือโลกสามเนี่ยโลกุตระภูมิโลกุตระกุศละนะ่ะอืมให้เข้าใจอย่างนี้นะบวาเพี้ยนไปอย่างนี้นะ่ะเอาเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เป็นเลื่อนขึ้นไปเป็นพระโสดาขั้นสุดท้ายขั้นที่สาม เป็นผู้ละสักยทิฏฐิวิกิกิชฌาศีลพัฒน์ปรามาตยได้ละสังโยชน์สามได้อพระโสดาบันองสุดท้ายเป็นผู้มีกายดีวาจใดีใจดีมีดวงตาเห็นธรรมละสักยทิฏฐิวิกิกิชฌาศีลพัฒน์ปรามาตได้อาจมาเกิดในมนุษย์อีกเพียงชาติเดียวเอกพีชี เอกะแปลว่านึ่งพิชีแปลว่าชาติเดียวพบเดียวเข้าพระนิพพานองค์นี้อะละสังโยชนสามได้อยากทราบไหมว่าสังโยชนสามคืออะไระก็นี่แห ล, ละละสังโยชนสังโยชน์คือเครื่องผูกมัดดึงรัดสัตวสังโยชนคือกิเลสเครื่องผูกมัดดึงรัดสัตว์ ให้ติดอยู่ในภพในชาติไม่มีที่สิ้นสุดแบ่งออกเป็นสิบอย่างหนึ่งสักยทิฏฐิสองวิกิจิตฉาสาศีลพัดปรมาต 5. กามาชันทะหกามาชันทะหนึ่งสักยทิฏฐิสองวิกิจิตฉาสศีลพัดปรมาตสีกามาชันทะห้าพยาบาทนี่สังโยชน์เบื้องต่ํา สังโยชน์เบื้องล่างมีสังโยชน์เบื้องบนเป็นสังโยชน์ของเบื้องล่างนี่เป็นสังโยชน์ของพระโสดาบันพระสกิทาคา้าอนาคาเมื่อขึ้นไปสังโยชน์เบื้องบนอีกห้าลูปราคะนี่ราคะแปลว่าความยินดีพอใจพอใจในฌานนี่ไปติดอยู่ในฌาลนลูปราคะยินดีในฌานในสมาธิ หลงว่าสมาธิหรือฌานเปลี่ยนพระนิพพานพวกนี้อรูปราคะไปยินดีในอรูปฌานอีกราคะไปว่ายินดีพอใจอไปติดอยู่ในอารมณ์ของฌานอารูปฌานไปติดอยู่ในอรูปฌานไปหลงติดอยู่ในรูปฌานหลงว่าฌานนี่นะคือโลกุตตระคือพระนิพพานราคะไปว่าความยินดีพอใจ เป็นภาษาบาลีก็ลูลูอ่าติดอยู่ในรูปฌานก็ติดอยู่ในอารมณ์ของฌานหลวงว่าฌานเป็นพระนิพพานนี่นะติดอยู่ในนี้เราต้องมาละดูประละคาอะลูประละค า, า, าได้ละสังโยชน์สองตัวนี้ได้ละอีกตัวมานะมานะทิฏฐิละตัวมานะ ละอุทธะกุจะละอวิชาได้ฝ่อรวมเป็นสิบพอดีสังโยชน์เบื้องบนสังโยชน์ของพระละหันถ้าใครละได้อย่างได้อย่างหนึ่งก็เป็นอันเดียวกันหมดถ้าละลูปราฆะได้ก็เรียกว่าธรรมเจโตวิมุตต์ได้ถ้าละลูปราคะได้ก็เรียกว่าธรรมเจโตวิมุตต์ดุดพ้นจากขันห้า ด้วยอิตสงบเรียกว่าเจโตวิมุตต์ดับขันห้าได้อันนี้ดับอันนี้ได้ก็เห็นพระนิพานปัญญาวิมุตต์เจโตวิมุตต์มันไปอย่างนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นก็บําเพ็ญไปขึ้นไปอย่างนี้แหละขึ้นไปไปเห็นตัวมานะมานะมันมีมานะเก่าอะไรที่ท่านเขียนเอาไว้น่ยขึ้นไปอุทธะจกักกูฏกูจาร์เนี่ย อุทธจักรกุกุจันี่ไม่ใช่เป็นกิเลสนะมันเป็นกิเลสในนิวรณ์ธรรมห้าเนี่ยอุทธจักรกุกุจัในนิวรณ์ธรรมห้ า, หากามาชันทาพยาบาททินนมิทะอุทธจักรกุกุฏจัวิวิกิจฉาในนิวรณ์ธรรมห้ า, หานี่เป็นกิเลสถ้าในมรรคขั้นสูงในนั้น เป็นมรกนะอุทธจาุกุจจาในนะสังโยชน์เบื้องบนความพุ้พงซ่านทำนี่นะความคิดนี่นะคือกันนั่นแหละแต่ว่าคิดจะข่ากิเลสอันนี้คิดจะดับขันห้าปุงแต่งเพื่อให้รู้จากขันห้าว่ามันว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างรัวขันห้าเกิดดับให้เห็นสัจจะ ให้เห็นอริยจัดสี่คิดเข้าไปอันนี้อุทธจักอุจจาอันนี้มันเป็นคนและเรื่องกัน <c oughs> <c oughs> นี่แหละสังโยชน์มีอยู่สิบอย่างแต่นั้นใครละสังโยชน์สามได้ก็ได้เป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาก็ละเป็นผู้มีศีลดีกายวาจาดีใจดีละสังโยชน์สามได้แล้วก็ทำ ทำกอรมาชันละกมชันทพยาบาทให้เบาบางลงแต่ไม่หายขาดอั น, นหรือละความโกรธความโลภความหลงเบาบางลงก็ว่าแต่ไม่ดับขาดได้ <c oughs> ก็เรียกว่าสกิทาคามีก็บาเพ็ญไปอย่างนี้ขึ้นไปต่อไปก็ดับการมาชั้นทพยาบาทได้ก็เรียกว่าอานาคามีอานาคามีก็ถอดกายเ้าของมาดู เห็นว่ามันเน่ามันเหมินส ก, กปรกเป็นอสุภะสุพังเบื่อหนายในกา ย, อยาของออก็เบื่อหนายในกามผู้หญิงผู้ชายก็ไม่อยากเสียบกามกันอีกเห <c oughs> ็นว่าดับกามไม่ช้นท่าได้ก็ได้เป็นพระอนาคามีไปอุบัติขึ้นท่าแตกขันดา ก, ก็ไปอุบัติขึ้นบนพรมะโลกชั้นที่สิบสองสิบสาม สี่สิบห้าสิบหกห้าชั้นเรียกอนาคามีอเวหาอาวิหาก็ว่าอเวหฮาก็ว่าอัตตาสุทัสสาสุทติอัตานิทะ <c oughs> นี่สังยชน์เบื้องล่างสังโยชน์เบื้อ ง, งบองนก็เป็นพระอรหันดับขันห้าได้นีไม่ไปหลงในขันห้าอวิชานี่คิดไม่รู้เท่าสังขาร น, นั้น สังขันคือกายกับใจคือลูกกับน้มก็คือขันห้านั่นแหละเพิ่มเพนขึ้นไปอย่างนี้ถึงโลกุตตะลาภูมิโลกุตตะลาภุสุนเจโตวิมุตเจโตวิมุตก็ดับลูประลาคะได้ลูกพรมได้ลูกพรมก็คือขันห้าคือลูกประจิตของเราเนี่แหละ ที่เราบำเพ็ญอยู่เนี่ยไปเห็นจิตว่างใจของเราเป็นธรรมะธาตุเป็นธรรมกายกายของเราเป็นธรรมชาติเรียกว่าธรรมกายไปเห็นใจของเราเป็นผู้รู้รู้รู้รูรู้้ว่างอยู่น่เป็นธรรมชาติอยู่นี่เรียกว่ารูปผมผ ม, มโลคขั้นรูปผม อะไรล่ะอันนี้ก็เรียกว่าขันห้าอย่างละเอียดเรียกว่ารูปอย่างละเอียดรูปประจิตมโนทวานคือใจของเราความรู้ที่ไปปรากฏว่ามันว่างมันสงบว่าเป็นสมาธิฌานนั้นฌานนี้นี่คือคือรูปภายนอกคืออารมณ์ภายนอกใจคือรูปภายในมโนทวานคือรูปภายใน ต้องรู้จักอันนี้ด้วยความรู้ว่ามันสงบว่ามันว่างเราได้ชานนั่นชันนี่ก็คือนามคือใจคือมโนวิญญาณสามอย่างนี้เรียกว่ารูปกับนามรูปประจิตไม่ใช่รูปรูปหยาบนะที่นี่รูปละเอียดรูปจิตชันสมาธินี่เกิดทางเดียวเกิดทางมโนทวารอย่างเดียว โนทวานก็คือรูปภายในอารมณ์รู้ว่าว่างก็คือรูปภายนอกวิญญาณนี่รู้ว่าราชฌานนั้นฌานนี้สมงบอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าน้ำรูป ก, กับนามนี่แหละคือขันห้าขันอย่างละเอียดกันเรียกว่ารูกปประจิตหรือเรียกว่ารูปพรมถ้ามายินดีในพร ม, มโลกนี่ก็ติดอยู่ในพรมนี่แหละถึงว่าเราได้ฌานเราได้สมาธิเรา มีสมาธิสมาธิเป็นเราเราเป็นสมาธิสมาธิเป็นตนตนเป็นสมาธิสมาธิมีอยู่ในตนตนมีอยู่ในสมาธิก็เรียกว่าลูปลาคะนี่แหละลูบลาคะปิดอยู่ในรูปฌานรูปสมาธิถ้าแต่ขั้นดับก็ขึ้นไปอยู่พรมโลกเพราะว่าหลงไปยึดว่าเป็นพระนิพพาน มันสุขหลายนะอ่ามันสุขสบายเหมือนกับอยู่ในอากาศเวหาเลยว่างตนตัวสัตว์บุคคลไม่มีมีแต่รูปปกิจพอบจั ก, กรวาลอยู่นึกว่าเป็นพระนิพพานเลยไปติดอยู่นี่เรียกว่าสมาธิหัวต่อฌานหัวต่อเป็นกิเลสตั้นกลางไม่ให้จิตเข้าไปถึงพระนิพพาน <c oughs> อ่านะอันเนี้ยคือดับขันห้าอย่างถ้าละอันนี้ได้ดับอันนี้ได้ก็เรียกว่าดับขันห้าอย่างละเอียดได้ยังมีขันห้าอีกชั้นหนึ่งนะอรูปพมเนี่ยขันอันประณิดปณิตอันละเอียดขันหยาบคือตายแล้วเนี่ยขันหยาบรูปที่นั่งมองเห็นอยู่นี่แหละขันหยาบขันห้าหยาบเรียกว่า ตามมะโลกตามมะคุณห้านะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ตาหูจมูกลิ้นนี่พบกับรูปเสียงกินรถภายนอกก็เรียกว่าตามมโลกทีนี้ขึ้นพมมะโลกก็เรียกว่ารูปโลกรูปเวลาคะถ้ายินดีในนี่ติดอยู่ในชั้นก็เรียกว่ารูปเวาคะอยากอธิบายให้เข้าใจรูปเวาคะก็คือขันห้าอย่างละเอียด เห็นชาญเป็นตนเห็นตนเป็นชาญเห็นชาญมีอยู่ในตนต้นมีอยู่ในชาญก็เรียกว่าไปติดเห็นตนเป็นขันห้าเห็นขันห้าเป็นตนตนมีอยู่ในขันห้าขันห้ามีอยู่ในตนอย่างละสีละสี่สีห้ายี่สิบนี่แหละยี่สิบอย่างเรียกว่าทิฏฐิวิ ป, ปะลาดถ้าดับอันนี้ได้ก็ดับลูปราลาคะได้ก็เข้าพระนิพานทีนี้ก็มีรูปอันประีตอีก อรูปลาคคือยังไงก็เห็นอรูปฌานนี่เป็นตนตนเป็นอรูปฌานเห็นว่าเราได้เป็นอรูปฌานเป็นเราเราเป็นอรูปฌานก็ว่าอรูปฌานมีอยู่ในเราเรามีอยู่ในอรูปฌานก็ไปยึดเอาฌานเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลอีกก็ไปติดบัตอรูปฌานนี่นะ่ะ สบายเหมือนกับพระนิพาตนิาพาณพรมนี่หลงว่าเป็นพระนิพานก็ไปติดอยู่แค่นี้หมดอายุบําเพ็ญมามันก็นดับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อย่างที่อธิบายขี้แจงให้ฟังรูปราคะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้รูปราคะรูปราคะอ่ถ้าดับอรูปราคะได้ก็ดับขันห้าอย่างแล้วปัณณ์ได้เข้าไปอยู่เหนือโลกสามหนึ่งอะไรเนี่ยโลกกุตระภูมิหนึ่ง โลกุตตะกุศลคือพระนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกนี่แหละการบำเพ็ญวันก็ชี้แจงให้ฟังว่ากุศลทางศาสนาพุทธนันมันอยู่สี่อย่างนะตามมาวจรกุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลโลกุตตะลภูมิโลกุตตะกุศล บำเพ็ญขึ้นไปจนไปสุดนั่นก็โลกุตละกุศลนั่นแหละกิดผ่านนิพานไม่ได้กลับ ม, มาเกิดอีกวิธีละวิธีบำเพ็ญขึ้นไปก็อธิบายชี้แกงพอย่อๆพอนำเอาไปพิจารณาเข้าใจแล้วก็ไปบำเพ็ญภาวนาสร้างบรารมีให้เจ้าของต่อไปดังแสดงมาก็สมควรแก่เวลา <c oughs>